ขอความจเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทงหลายเสียงธรรมจากมาวิลัยสีปทุมกำลังนำเสนออากังขยสุตรคือสูตรที่ว่าด้วยความหวังของบุคคลแต่ว่าในพระสูตรนี้ส่งแสดงแก่ภิกษุก็แปรทับไปเลยว่าเรื่องความหวังของภิกสุ ที่จะเป็นไปตามที่หวังท่งแสดงเป็นข้อๆไปโดยลำดับถึงสิบกว่าข้อแต่การต่อไปท่านบอกว่าภิสุทั้งหลายถ้าภิสุพึงหวังว่าเราบริพภคกิวรบินทบาทและเสนสนัดบริขารของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราได้ สกราระเหล่านั้นตึงมีผลอานิสง์ดังนี้คือหมายความว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระก็ต้องการให้ญาติโยมเจริญด้วยผลด้วยอานิสง์ต่างๆแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขของการบริจาค คือหมายความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ธนุบำรุงภิกษุด้วยปัจจัยสีทีนี้การธนุบำรุง้วยปัจจัยสีเนี่ยมันมันมีองค์ประกอบใหญ่ยเยอเกคือว่าผู้ที่รับเนี่ยมีความบริสุทธิ์ในการประพฤติปฏิบัติมาน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วผู้ที่ให้ มีจิตใจบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเพราะในแง่ของการให้ทานพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสี่ประเภทคือหนึ่งทักษิณาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้หมายความว่าผู้รับเองก็ไม่บริบูรณ์ในศีลในกัลยาณธรผู้รับเอง ก็ไม่บริบูรณ์ในสีในกัญยาณธรรมทั้งสองฝ่ายคือไม่อยู่ในสีในธรรมด้วยกันความเปลีป่ยนแปลงในด้านจิตใจคือการจางคลายของกิเลสมันก็ลดมันก็น้อยเวลาน้อยนิสสงมันก็น้อยการที่สองทักษิณ า, าบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายถายกคือผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับ หมายความมาผู้ให้นั้นสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยกัญญาณธรรมแต่ว่าผู้รับไม่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยกัญญาณธรรมในการบานพืชชนิดดีลงไปในนาที่ไม่ดีมีคุณภาพดินต่ำข้าวก็ไม่สามารถจะงอกงามมีผลดีขึ้นมาได้ประการที่สามนั้นคัศนนาบางอย่างบริสุทธิ์ไฟ ปฏิฆาหคือผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายถายกมหมายความว่าผู้รับนั้นอยู่ในสีในกัลยาณธรรมดีจริงแต่ว่าผู้ให้ไม่บริบูรณ์ในสีในกัลยาณธรรมก็หมายความว่าเมื่อเราเขา้าชนิดไม่ดีมาปลูกลงในดินที่ดียังไงมันก็ดีไปไม่ได้ เราตั้นาที่พึงประสงค์จริงๆก็คือว่าทั้งผู้ให้และผู้รับนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยกัลยาณธรรมแต่เกณฑ์มาตรฐานวางไว้ต่ำนะฮะเอาแค่ศีลกับกัลยาณธรรมเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นผลที่เราต้องการติเนตุมันก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของพิษุเพราะเป็นการสอนพิษุ แต่ว่าในภาษสนามจริงๆเนี่ยผู้ให้เองก็เจะจะต้องอยู่ในสีในกัลยาณธรรมอย่างน้อยเจตนาที่จะให้นั้นบริสุทธิ์ทั้งช่วก่อนจะให้ขณะให้หลังจะให้แล้วก็สิ่งที่นำมาให้นั้นจะต้องเป็นการเป็นการได้มาในทางที่ชอบธรรมนี่ก็เป็นฝ่ายของของผู้ให เนี้ผู้รับเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะว่าตามปกติแล้วใครก็ตามที่รับปัจจัยยาลาบจากบุกคคลอื่นมันจะต้องอยู่ในฐานะที่คนเขารู้สึกเคารพนับถือศรัทธาเคารพนับถือศรัทธาในเรื่องอะไร ก็ในเรื่องคุณธรรมตอนที่กล่าวมาแล้วแต่ที่เราพูดมากอย่างก็คือมีศีลดีมีอาจารย์ดีมีคุณธรรมกำกับในด้านจิตใจในข้อนี้ทรงแสดงองค์ธรรมชุดเดิมเลยหมายความว่าถ้าต้องการเป็นเช่นนั้นที่สุควรทำให้สมบูรณ์ในศีล ศีลมันมันเป็นพื้นฐานนะฮะหมายความว่าถ้าตัวเองพร่องในศีลแล้วเนี่ยอนิสงส์มันก็ไม่เกิดในเกิดมากเท่าที่ควรคือไม่ถึงก็ไม่เกิดหรอกเพราะว่าในการให้ทานเนี่ยให้แก่คนที่ทุกศีลก็อย่างใดได้อนิสงส์เพียงแต่ว่าได้น้อยเท่านั้นเองการทำให้สมบูรณ์ในศีลส้หรัไปวิสุทเนี่ยคือถ้าเราไปนับข้อมั น, ม, นมันเยอะไป เราง่ายๆก็มี4ี่ส่ข้อข้อเดินก็คือสํารวมตามบทปัญญาในประปาติโมกข้อที่2ก็คือสํารวมระวังอินทรีย์เวลาสัมผัสอารมณ์โดยการรูปหูฟังเสียงเป็ดต้นข้อที่สก็คือมีการเลี่ยงฉีดในทางที่บริสุทธิ์กาเรียกอาชีวะบริสุทธิ์ ในการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์แล้วก็ในขณะรับก็ดีใดขณะาบริโภคใช้สอยก็ดีหลังจากบริโภคใช้สอยไปแล้วก็ดีจะต้องพิจารณาในปัจจัย4ี่เหล่านั้นเพื่อให้ตัวเองไม่รับไม่บริโภคด้วยตัณหาคือไม่เอากิเลสเข้ามารับ แต่วรับด้วยจิตใจใที่มีความสงบแล้วข้อต่อไปก็คือประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องสงบทางจิตอันเป็นไปในภายในก็คือมีสมาธิอยู่นะอย่างน้อยที่สุดนี่ใจก็เหนียวนึกึกนึกในทางที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลวิตกสึกนึกที่จะออกจากการมสึกนึกในการไม่พยาบาทแล้วก็สึกนึกในการไม่เบียดเบียน ไม่ทำชาในเหินห่างไปถึงชาแนะ่และความว่าก็ต้องเข้าชาอยู่เรื่อยๆต้องเข้าชาอยู่เรื่อยๆแล้วประกอบหรือวิปัสนาเห็นกระจกชัดเจนในสิ่งนั้นนั้นก็เรียกว่าตัทาตั ท, า, ทาวิปัสสติเห็นชัดเจนในเรื่องนั้นนั้นสัมผัสอารมณ์ปั๊บดึกถึงไตรลักษณ์ทันที พอ้ริ่ดึงใจรักทันทีนี่กิเลสที่ยังไม่เกิดมันไม่เกิดกิเลสที่เกิดแล้วมันจะลดตามแนวของสภ า, วาสวะสสังกรสูตรคือสูตรที่สองที่กล่าวไว้ในตอนต้นนี่ก็มาถึงสูตรที่แปดแล้วนะประตูนี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าระดับหนึ่งเปอร์เซ็นตอาจจะไม่สูงเท่าไหร่ก็คนทั่วไปก็ปฏิบัติได้เหมือนกัน คือหมายความมาเป็นตัวธรรมะปฏิบัติเป็นสาธรารณแก่พุทธบริษัททั้งหลายยืนเด็ดแต่ว่าในขณะนั้นคนฟังนี่เป็นภิกษุก็มาตรการก็เข้มข้นขึ้นหน่อยแล้วก็ยินดีในที่ส ง, งัดเงียบทีน้ประการต่อไปเป็นความหวังประการที่สี่นี่บอกว่า ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าญาติและสารูหิตของเราเหล่าใดร่วงรับความการลรไปแล้วมีจิตใจเลื่อมใสและลึกถึงอยู่ความลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและสารูหิตเหล่านั้นพึงมีภารันิสง์มากขึ้นี่ก็เหมือนกันคือหมายความว่าพระเองก็ต้องเป็นฐาน เพราะว่าคนเรานั้นก็กรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปถึงแม้ว่าจะเป็นญาติของพระอาหารหันต์หรือเป็นญาติพระพุทธเจ้าก็เถิดแต่ถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ตกนรกได้เหมือนกันอย่างพระญาติของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็เทวทัศน์กสุภพุทธานะฮะถูกตรนีสุก็ประญาติการชิดทั้งคู่ พระเจ้าสุภาท่าน่สุภาพุทธานั้นก็ในฐานะเป็นอะไรล่ะอาคเคยเทวทัตนั้นก็เป็นลูกผู้น้องในสายสัมพันธ์ทางญาติในสายสัมพันธ์นาานทางครอบครัวพระเจ้าสุภาพุทธาก็เป็นพ่อของพระนางยาโสธราพิมพาเทวทัตก็เป็นพี่เป็นพี่เขยเป็นเป็นพี่หรือพี่เคยเนียฮะก็ แต่ว่าในสุดทุกคนก็เป็นไปตามกรรมสุปะพุทธธรรมบาปหนักระดับอิดกั้นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระริยสมจํานวนมากืทว่าดนนันเกาะเยอะในสุดก็ตกนรกเหมือนกันและแน่นอนทุกคนก็คาดหวังให้ญาติพี่น้องตายไปแล้วก็บังเกิดในกติพวกที่ดี แต่ถ้าระลึกเนี่ยเรามีพลังบวกที่จะไปส่งเสริมสนับส น, นุนใหญ้ญาติผินอองได้อนุสติหรือไม่ได้สังขาอนุสติเราดกถึงคุณของพระสงฆ์หรือไม่เกณฑ์กาหนดก็ไปอยู่ที่สุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยาญาปฏิปันโนสามีจีปฏิปนันโนอันประสงค์แสดงว่าถ้าถ้าต้องการอย่างนั้นภิกษุนั้น ควรกระทําให้สมบูรณ์ในศีลประกอบเครื่องสงบทางจิตเป็นการภายในไม่ทําชาในเหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญากาศให้พึงสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยก็คืออรอยิยมรรคก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาและก็ปัญญสิกขาคือครบชุด ก็เวลาปฏิบัติตั้งเป็นฐานมั่นเอาไว้หมายความว่าเธอจะปรารถนาอะไรหนึ่งสองสามสีห้าว่าไปแต่ว่าขอเพียงคือทําอย่างนี้เหตุอย่างนี้จะอาํานวยผลเป็นอเนกประสงค์เป็นอเนกประยายคือนิ ย, ยามต่างๆอย่างยกตัวอย่างอาริยมรรคที่เราปฏิบัติกันทั่วไปเนี่ยที่คนปฏิบัติกันทั่วไปเนี่ยอย่างเบาๆนี่ปิดกั้นอบ า, าย ใยคนบังเกิดในอบายทุกขติบินิบาตนรกอสุริยแก่แล้วก็ทาให้เกิดเป็นมนุษย์ที่ลดหลั่นกันขึ้นไปในด้านสถานที่เกิดในด้านสกุลที่เกิดในด้านสุขภาพปรลาดหน้าใหมา่รูปร่างหน้าตาปกเกลิกลักษณะในด้านยุคสมัยในด้านความโน้มเอียงทางใจเวลาจะศึกษาเราเรียนเวลาจะทำงาน และมีความคิดยังไงมีความตั้งใจยังไงก็ถูกจําแนกโดยโดยกุศลอกุศลที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทาเอาไว้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะกลายเป็นภพเป็นชาติเราจะเห็นว่าพพชาติยิ่งสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นความเข้มข้นของอริยมรรคเจ้าศรีสมุนเนี่ยศรีสมูนในปิดประตูนรกเลย ริกว่าจจตูหัปาเยเิจุวิปภูมตโตค้นจากจจตุระบายทั้งสี่ชาจาพิธานาเนียวปภูกาตุงไม่กระทรอภิธานหกคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าประหารทำร้ายพระพุทธเจ้าให้โลหิตพ่อมาทำสังฆเภศหรือว่าถ้าเป็นลิสุไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งๆ ท, ที่ยังรองเพศลิสุนี่จะไม่ทา คนาเหล่านี้แต่ถ้าสมมูติจริงก็เป็นประสรบธรรวกิประตูจตุรบาลนะทีนี้ข้อข้อต่อไปว่าภิกษุถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ขม่มความไม่ยินดีและความยินดีได้เินความไม่ยินดีอย่าพึงครอบงำใจเราเลย เราบึงครอบงมยํำยีความไม่ยินดีอันเกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถอะดังนี้นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วทีนี้มันก็อีกแหละความยินดีความยินร้ายเนี่ยมันอยู่ที่ท่าทีของเราเราสัมผัสอารมณ์เหตุรู้ฟังเสียง ด, ดกลิ่นลิ้มรสตรวต้องเหยเราหอนแข็งอยู่ทุกวันเนี่ยความยินดียินรา้ามก็เกิดที่นี้ แน่นอนบางทีเราก็เหนียวนึกถึงอารมณ์ดีที่เป็นอดีตเราก็ยินดีอารมณ์ไม่ดีที่เป็นอดีตเราก็ยินรายอารมณ์ไม่ดีในปัจจุบันเราก็ยินดีไม่ใชอารมณ์ไม่ดีในปัจจุบันเราก็ยินร้ายอารมณ์ดีในปัจจุบันเราก็ยินดีคาดหมายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแง่ที่ไม่ดีเราก็ยินร้ายในแง่ที่ดีเราก็ยินดีมันก็มันก็เป็นเรื่องของเราขท่านั้นเรื่องจิตใจของเราเท่านั้นความยินดียินรายมันอยู่ที่ใจ ปัญหาสำคัญว่าไอ้พื้นฐานโดยปกติเรามีความรน้มเอียงไปในทางไหนล่ะถ้ามีการกำหนดอารมณ์เห็นปั๊บหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนาจะต้องเรื่องนี้นาคิดน่าสนใจก็ไปไม่รอดหรอก ความดีๆก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะไรเพราะที่เรามองนั้นเราไม่มองตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพราะแนวมองอารมณ์บางอย่างเนี่ยแนวสำรวมระวังระวังที่จิตคืออารมณ์ก็ฉับแต่ว่าอารมณ์แต่เราก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรมัน เกิเป็นเรื่องของมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์หรือว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเสียก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสอารมณ์สัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสธรรมารุ่งก็สักแต่ว่าธรรมารุ่งสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าไยินสักแต่ว่าดมสักแต่ว่าลิ้มสักแต่ว่าชิมสักแต่ว่าจับต้อง สักแต่ว่าเดียวนึกสึกจบพูดง่ายแต่ทำยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเนี้ยเราอยู่กับสื่อที่กระตุน้นทุกความยินดียินด้ยทีนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นเจตจำนงความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ทั้งสองอย่างแหละคือหมายความว่า ขอให้ความยินดีจะได้ไม่ไม่ครอบงำเราแต่ว่าเราสามารถที่จะครอบงำย่ำยีความไม่ยินดีอันเกิดขึ้นแล้วได้อยู่จ้าไม่ใช่เรื่องของของคือคือใจจำานงมุ่งมัมม่นที่ตั้งไวนะ้น่ะตั้งได้แต่มันมีมรรคการวิธีจะดำเนินไปสู่ผล น, น, นั่นแหละแต่ถ้าเป็นผลอ่ะความได่ยินดีได้มันเป็นผล เกิดมาจากการกําหนดอารมณ์เผื่อแต่เรากําหนดอารมณ์ในรูปที่ก็เาเรียกว่าสุภาารมณ์อารมณ์ที่สวยงามคือยังไงยังไงก็จกักจักกั้นความยิน ด, ดีได้ไม่ได้หรือไมสวยงามมันก็เกิดความยิน ด, ดีสวยงามก็เกิดความยิน ด, ดีแต่ว่าสักแต่วรูปสักแต่เศษซักแต่กรีนซักแต่วรสซักแต่แตแตเย็นรอ้นอนอบแข็ง มันทําห้เราได้สติที่จะคิดต่อเออเขาว่าสวยนี่มันสวยยังไงกระไรสุดมันก็จะถึงทางกันที่เราต่อเองไม่ได้จยางที่ภิกษุณีรู้คนหนึ่งมาคือตั้งใจบวชมาทั้งทีเนี่ยต้องการตามตื้อพระอานุนท่ะนนั่นเนองเพราะก็พยายามติดตามพระานุนไปที่ไหนก็พยายามติดตามไป ก็น่าจว่ารู้จากไปที่โกสัมพีนะ่ะอย่างตามไปเลยพระเจ้าเคยรับสั่งให้เข้าวเฝสอบถามว่าชอบอะไรของอาหนุนเธอก็บอกในส่วนต่างๆอย่างร่างกายเนี่ยตั้งแต่ใบหน้าดวงตาอะไแต่อะไรมเรืเ่อยๆพระเจ้าอธิบายลักษณะของดวงตาลักษณะของจมูกลักษณะของปากลักษณะของอะไรแต่ะไต่างๆเนี่ยอธิบายในแง่ปฏิพุทธยิ่งเอาไปอยู่นะ คนนั้นรับสังทิว า, าวัตถีองคุณเจ้ากับคณะสงฆ์เสด็จไปที่โคสัมพีตาไปอีกตามไปเตือไปเสียแางทำเป็นป่วยอยากให้กานุ่นไปเยี่ยมกานุนก็มีพระติดตามก็รู้ตัยอ่ะคือเทศตั้งทางที่กรุงปองอย่างนี้นีเป็นการเตือนบอกว่า คือตัณหานี่เราอาศัยมันเพื่อจะลากมันได้แต่ว่ากามเนี่ยอาศัยอาศัยไม่ได้ทูเจ้าสอนในชักสะพานนะคื อ, อย่าทอดเข้าไปหามันถ้าไม่งั้นแล้วจะจะสู้กำลังมันไม่ได้เพราะเรามาต่อสู้กับวัตถุกามในขณะที่ใจเรามีกิเลสกามนี้ แต่เราก็มีพวกภูมิอยู่ในพวกกาลมาวจรมันจุดอ่อนเยอะเร่อวิธีการต่อสู้ตรงตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้กรรมวิธีต่างๆแต่ว่าในขณนะดเดียวกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่เหมือนเดิมนะหมายความว่าบริวุูในศีลก็คือศีลัสิขาสมาวจรสมากรรมตะสม า, สม า, สมาชีวะประกอบด้วยธรรมเรื่องสงบในภายใน ก็คืสมาบัญสมาสติสมาสมาธิจนถึงแม้เอ๋อนหนางจากฌานเนี่ยก็เป็นสมาสมาธิประกอบด้วยวิปัสสนาก็เป็นสมาธิติสมาสังกัปปะแล้วก็สุญญากาศเนี่ยเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมในการทําความสงบด้วยสมถะวิธีแล้วก็การพิจารณาในชั้นของวิปัสสนาวิธี ถ้าอย่างนั้นเมื่อจิตมันเสริมด้วยพลังบวกมากมา ก, ม, ากมันจะกลายเป็นภูมิต้านฐานต่ออารมณ์ที่มากระทบมากระแทกมา ก, ทมากระทุ้งมากระทำจนถึงก็ไม่กระสื้นคือจากอา่านหนังสือของตฏเทระสองสามเล่มนะสี่เล่ม ที่เกี่ยวกับประวัติของพระเทวราที่กระดูกท่านเป็นธาตเนี่ยอย่านึกดูกขนาดพะอาจันมัน่นพราจันเยเสายังอยู่พอาจารย์สิงยังอยู่พรกโกฏ ล, ลุกสิทธินี่ยสึกไปเยอะสึกไปเยอะเลยก็เรียกว่าใกล้เครื่องกินด่างขนาดนั้น มันไม่ใช่ง่ายสมัยรู่นจศกาก็เหมือนกันคือเราไม่มีรายงานเรื่องทาศึกกันนะแต่จริงท้าก็ศึกก็มีเยอะพวกลทธชวีไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงถูกจับศึกทีเดียวตั้งห้าร้อยก็ไม่ใช่เล่นะนะฮะกูวกษัตริย์สมัยนั้นปรมกบมุ้นอยู่ในเรื่องเพศก็บวชก็ยังคิดในเรื่องเหล่านั้นอยู่เดี๋ยวเกิดความยินดี ตอนนั้นส่งบัญญัติพระวินัยแล้วนะครข้อที่หนึ่งในส่งบัญญัติแล้วก็มาขอโทษร พ, ทพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าสิกาบทที่บัญญัติแล้วเนี่ยขอโทษไม่ได้ันถูกถือก็ต้องสละดสามนาเทศออกไปลองนึกดูว่าพระพุทธเจ้าไม่สนพระไทยเลยไม่สนพระไทยอิทธิพลทางการเมืองของกษัตริย์ลิจฉวีในเมืองไผ่สาลี ดาสุดลูกก็ตั้งห้าร้อยเขาน่าจะโกรธแค้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่พอใจลูกเขาแล้วเขาก็ชื่นชมที่พุทธเจ้ามีมาตรการเชียบขาดอย่างนั้นวนันนี้ยินดียินร้ายเนี่ยเราจึงเจอบ่อยแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราจับหลักตรงนี้หลักไม่ถึงประมาณสองมหัศนะประมาณสองมหั่นแล้วฟังว่า ถ้าพิสูจนจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความกลัวและความขาดได้อันึ่งความกลัวและความขลาดอย่าพึงครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่ำยีความกลัวและความขาดที่เกิดขึ้นแล้วให้อยู่เถิดดังนี้หมายความว่าก็เบีเ่ยงเบนมาที่ความกลัวถึงความกลัวนี้เราก็พูดมาแล้วในพยะเพรพบสู ถึงวิธีการแก้ของพระพุทธเจ้าและทรงสืบสาวถึงสาเหตุได้เกิดความกลัวว่าเดิมมีธาตุของความเคราะสองตัวเองมีความบกพร่องในศีลแล้วก็สามเนี่ยมีปัญหาในทาง จ, จิตใจมีปัญหาไปปรุงคิดคิดปรุงปรุงแต่งไปด้วยวิธีการ แล้วการต่อสู้กับความกลัวนั้นก็คือแก้ปฏิบัติการด้วยบัติตัวเองอย่าให้มีปัญหาจำรัดศีลตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วก็ยามฝึกปลือทําทําจิตใจให้สงบมันก็ข้าสูดเดิมนะฮะหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อมาว่าพิสูุนนั้นควรเป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยรมเครื่องสงบทางจิตในภายใน ไม่ทำฌานให้เหินหา่างเราประกอบโดยวิปัสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญยาคารก็เหมือนเดิมพูดง่ายว่าสีสมาธิปัญญาเหมือนเดิมทีนี้พึกสุก็ปราถนาไปในข้อที่เจดเนี่ยบอกว่าเราพึงเป็นผู้ได้ฌานทางสี่ 4, อันเกิดขึ้นกับจิตที่ผ่องใส ย, ยิง่งเป็นทําเครื่องอยู่เป็นสุขในจิตฐธรรม ทำความปรารถนาะได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากตั้งนี้ไอ้นี้มันมันเรื่องใหญ่ละไม่ยากไม่ลำบากในเรื่องใหญ่คืออย่าลืมว่าวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเรามีเวลาทำความซึ่งบไปแก่ดวงจิตจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากวัตถุนี่สามารถสัมผัสได้ถึงฌาน ท่านก็ต้องออทุ่มเวลาลงไปในเรื่องเหบนี้เดี๋ยวภารกิจต่างๆมันต้องลดนะถ้าภารกิจไม่ลดเวลามันก็อยู่กับภารกิจเหล่านั้นมากแล้วในที่สุดเนี่ยเราจะทำจิตให้สงบจนถึงบรรลุฌานเนี่ยจะยากทีนี้ ในการปฏิบัติเน่ตามปกติแล้วก็เรียกว่าประเภทหนึ่งนี่ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็วปฏิบัติไม่สะดวกแต่รู้ได้ช้าปฏิบัติไม่สะดวกด้วยปฏิบัติสะดวกด้วยแล้วก็รู้ได้เร็วด้วยบางทีปฏิบัติไม่สะดวกแต่รู้ได้เร็วนี่ก็แสดงว่ามันก็มีอยู่สี่ประเภท ก็ได้ไม่ยากไม่ลาบากเนี่ยมันคิดแต่งหวยเกินไปคือภ า, ารกิจในการทําจิตให้สงบนั้นเป็นหน้าที่ของเราแต่จะสงบเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตคือเราไปทําอะไรไม่ได้แรกๆกับการทํานาของชาวนาเนี่ทุกขั้นตอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของชาวนา แต่ว่าเมื่อปักดำไปแล้วข้าวจะตั้งท้องเมื่อไหรยอกรวมเมื่อไหร่จะสุกเมื่อไหรก็เป็นเรื่องของชนิดข้าวนั้นๆแต่เราไปเร่งเขาไม่ได้ไปสั่งการเขาไม่ได้มันต้องแยกให้ออกกับภารกิจของเราอยู่ตรงนี้หน้าที่ของเราก็คือทำตามความเพียนจะภาวนาพุโทโธพุโทโธก็ภาวนาไปเกิดไปรู้ว่าสงบไม่สงบ ภาวนาสะสมอยู่ภายในจิตอย่างน้อยที่สุดถ้ามันมีปัญหาอะไรจิตมันไปอยู่ที่ภาวนาไว้ก่อนที่พุโทโธไว้ก่อนนอนไม่หลับก็อันไปที่ภาวนาพุโทโธภาวนาพุโทโธไว้รื่ยพุโทโธไว้รื่ยคิดถึงพุโทโธไว้ด้วอยข้าห้องน้ำฝัองถ่าเดินเหิอนอะไรอะไรก็ไม่มีงานอะไรทําแล้วก็เดินคิดไปถึงพุโทโธพุธโทโธก็ไนไถึงก็ต้องภาวนาดังๆเราถึงพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อย สะสมให้เป็นจิตสันดานเป็นพื้นฐานภายในจิตใจของบุคคลนั้นเพราะนั้นตรงนี้ในประเด็นที่เจ็ดเนี่ยก็เหมือนกันว่าพิะสุ น, นั้นควรเป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีนลประกอบด้วยเครื่องทำเครื่องสงบทางจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชาในเหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารเอาข้อที่แปด เปลี่ยนเป้าหมายแต่ว่ากรรมวิธีที่จะเข้าไปสู่ผลตรงนั้นอันเดียวกันว่าเราพึงถูกต้องด้วยนามกายซึ่งธรรมคือวิโมกอันสงบที่ก้าวล่วงรูปปาชาดะรูปปชาดูเถิดวิโมกข์นี่คือจิตที่มันหลุดพ้นด้วยการพิจารณาตามใจลักเนี่ยนะ เราเรียกแตกต่างกันสุญญาตาวิโมกกันมิตรวิโมกกันมีตวิโม ก, ม ต, าโมกตามตามลักษณะของของสองไตละตา ม, ต, ต, ามตามชนิดของอารมณ์หมายความว่า เ, ออเช่นเราจเจริญ อ, อนัตตาอนุปัสสนาพิจารณาถึงธรรมทั้งหลายที่เป็นอนัตตาพอจิตมันพ้นมันก็เป็นสุญญ า, าวิโมก คือพ้นเพราะมองเห็นความเป็นของศูนย์คือของว่างจากตนหรือจากสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยตนอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคราดว่าดูก่อนโมคคราดเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างถอนอัตตาโนทิสิคือความรู้สึกเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวเป็นตนออกไปถ้าถอนได้มัตตุราชก็จะตามเสรไปทั นี้บางทีเนี่ยมันเป็นอปนิตวิโมกตก็แสดงว่าตัวอารมณ์ที่เราคิดเนี่ยมันก็คือทุกข์อนิมิตตวิโมกก็คือเป็นอนิจจ์ก็เรียกอย่างเงี้เยเรียกต่างอย่างนี้แต่ว่าในแง่ของความจริงให้นึกถึงหลักที่รลวงพ่เจ้าทรงแสดงแก่พระบันยวกี หรือว่าบทชี่สอนให้ให้สาธยายสั้นๆยกขาทาขึ้นมาพิจารณาเนว่ารูปรูปังอนิี้จังรูปเป็นของไม่เที่ยงยดานิจังตังรูข้างรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกอย่างรูข้างตังนาตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นไม่ใช่ตัวเชตุลยดาณาตาตังเนตังว่า ม, ะมะโสมัสมินา ม, ะมะโสเมตตา รูปใดใช่ตัวใช่ตัวรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตัวของเราหมายความว่าเห็นอะไรก่อนหลังนี่ไม่แปลกหรอกแต่ว่าในสุดนจะเห็นหมดพอเห็นหมดมันก็ไปถ่ายถอนพวกตันหามันาทิสิกก็อย่างในตอนช่วงกลางๆของอนาตาล ก, กันสรที่ทรงสแสดง รับสั่งถามภิกษุ ป, ปัญญวิคีว่ารูปกรรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้เป็นไฉนคิดเรื่องนี้ยงงอย่างไงพวกแงว่าคิดเรื่องนี้อย่างไงรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญานเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุ ป, ปัญญวิคี ก, ก็กราบสุน陀ไม่เที่ยงปัญญาค่ะแลสั่งถามว่ารูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วท่านก็บอกว่าเป็นทุกข์ปัญญา อ่ะสรุปรวมเลยรูปใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลีย่ยนแปลงไ ป, ป, ปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะยึดถือว่ารูปนั้นเป็นของเรารูปนั้นเป็นเรารูปนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ก็กราบถุวาโนเหตุต่างพันเดไม่เป็นการสมควรเลยทวดุจกัลคะเพราะในอตอนปลายเนี่ยในช่วงปลายไม่ถึงปลายสุดรองปลายสุดทรงสรุปรวมหมดเลยก็เรียกว่า ทั่วสากละที่พวะเพาะเหตุนั่นและภิกษุทั้งหลายขาน่าอย่างใดอย่างนี้ที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียับก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีตก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขาน่านั้นก็สักด์แต่ว่าขาน่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อันเถิดทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ นี่ก็แสดงว่าคำว่าปัญญาเห็นชอบก็คือวิปัสสนาปัญญาพอเห็นแล้วมันก็ไปดับโวกตัณหาอนิตถิดังกล่าวก็ช่วยหลุดพ้นบนธรรมะที่ทรงแสดงเราจะเห็นว่าที่จริงก็แสดงตามําดับั้านศีลสมาธิปัญญาเลยแล้วข้อที่ข้อที่เก้า ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามพึงเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะสัจะสรู้มีอันสัจสรู้เป็นเบื้องหน้าเถิดดังนี้ผู้ต้องการไปถึงพระโสดาบันแล้วทีนี้พอพระโสดาบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณลักษณะคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยคือหนึ่ง ปราศจากสังโยชน์สามประการคือสกยาติติวิจิกิจาสศิลปตปรามาแล้วก็จะไม่ย้อนกลับคือถึงกระแสแล้วก็ไม่ตกไม่ตกตามน่ะเป็นผู้เที่ที่จะจัดสรุที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานถึงชาติสองชาติสามชาติแต่ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะต้องไปจัดสรุในการขนามเอาแหละอย่างมากที่สุดก็คือเจ็ดชาติ เอกศ ต, ตกตระตุปประมะแล้วก็รับสั่งถึงกรรมวิธีที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลเป็นมโสูร บ, บัตคือพิสูรนั้นควรเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยเครื่องสงบทางจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชาในเหินหากประกอบด้วยวิาัณนาเพิ่มภูมการอยู่ในสุญญาขาดนี่ก็คือ หละการเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยต่างกันประการต่อไปไปน้ตเลยนะฮะเป็นอนาคาหมีเลยข้อที่สิบเอ็ความหวังที่สิบเอ็ดสั่งว่าเราพึงเป็นอุป ป, ปาติกะสัตว์เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมพากิยสังโยธห้าพึงไปนิพพานในพรหมโลกนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิด ดังนี้เป็นความปรารถนาที่จะบรรลุมรควนเป็นพระนาคา ม, มาพระนาคามีทีนี้การเป็นพระนาคามีในประเด็นนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปปาติกะดรว่โอปปาติกะก็แล้วแต่และส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นกับคำว่าโอปปาติกะแต่ที่บางแห่งก็เรียกว่าอุปปาติกะอุปปาติกะหรือว่าเป็นพระนาคามีเนี่ยประเด็นสาคัญก็คือว่า ต้องดับสังโยชน์เขาเรียกโอรังพาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบือนองต่ำมันมีห้าข้อพระโสราบันพระจักากะตามีละได้ไปแล้วสามข้ออย่างเหนือจะถึงพระนาคามีก็ต้องละกามราคะกับปฏิฆะกามราคะก็คือความกำหนัดในทางกรรมเรจะเห็นว่า พระโสดาบานนั้นยังเสพกามยังมีครอบครัวมีลูกมีเจ้าแบบชาวบ้านนี่แหละเพียงแต่ว่าสีหน้าท่านสมบูรณ์โดยท่านมั่นคงในพระรัตนตรัยในใจสิกขาท่านมีทิฏฐิที่สมบูรณ์แตล่ละชั้นยอดได้สามแล้วก็ศีลท่านสมบูรณ์สมาธิท่านพอประมาณปัญญาพอประมาณ พอมาถึงพระสักการะมีพระสักการะมีก็พกุ่นิจางนะราฆ่าโทสะโมหะนิจางลงแต่จางเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกว่เพียงแต่ว่ายังไม่เคยพบพระสักการะมีมีครอบครัวแต่การไม่พบนี่นเป็นหมายความว่าไม่มีนะถึงไม่พบที่เป็นลายลักษณอักรด้วยหรือไม่ไม่พบที่ตัวบุคคลด้วยว่าจจะปรากฏใน คำเพียรพิธำรรมถึงจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบเหมือนกันทีนี้การมาราคาเนี่ยมันจติต้องไม่เหนียวนึกตึกนึกในเรื่องกาอลอารมณ์คงสัมผัสคงสัมผัสอยู่เป็นปกติแหละแต่ไม่มีการปรุงคิดคิดปรุงให้เกิดกิดเลสให้เกิดการมาราคาให้เกิดโลภะให้เกิดการมาราคา แล้วก็ปฏิฆาณี้ก็คือกิเลสสายโทสะแต่วันออนแล้วไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญไม่ถึงกับโกรธไปถึงกับประทุษร้ายไปถึงกับอาฆาตไปถึงกับพยาบาทพวกนั้นมันสงบไปแล้วก่อนแล้วแต่ก็คืออาการของกิเลสนั่นแหละแต่ความจะเห็นว่าจริงๆก็คือโกคปวดหลงอยู่นั่นแหละจะกี่ข้อก็ตามเป็นอาการเป็นความเข้มข้นที่ ยากลางละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าราคาม่ก็ล่าได้ทีนี้ก็แน่นอนแหละเราก็ปรารถนามนก็ปรารถนาด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าทำยังไงละ่ะทำยังไงจะบรรลุแล้วก็ปรารถนานิพานในพรหมโลกนั่นมันมันมันเป็นผลต่อเนื่องคือหมายความว่า พระนาคามีท่านก็วังเกิดในปพมโลกแขนสุทธาวาสแล้วก็จะอยู่ชี่นั่นแหละจะนุกเนี่จะนิพพานในช่วงที่แตกต่างกันบางทีก็จะเลื่อนพบไปบางทีก็ไม่เลื่อนก็แล้วแต่มันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันแล้วก็ไม่กลับมาสู่โลกเป็นธรรมดาเถิดไอ้นี้ก็สืบเนื่องมาจากการละสังโยธาขอ้อเป็นผลที่ต่อเนื่อง มันเกิดเข้ามาแมนแหละหมายความมาถ้าเหตุกีฬาสังโยชน์ทาประการได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องเป็นห่วงมันจะตามมาเองโดยอัตนมัติเพราะพระเจ้าทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันรับสั่งว่าภิุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยธรรมเครื่องสงบทางจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทาฌานให้เอือนห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูน การอยู่ในสุวนใญาการแลการต่อไปก็ไม่ประเด็นสิบสองประเด็นสิบสามก็มีมีรายละเอียดอีกเยอะนี่เป็นเป็นหลักอย่างหนึ่งที่ส่งประธานว่า พูดง่ายๆว่าใจสิกขานะพูดง่ายๆใสิกขาเพาะใจสิกขาก็คืออะไรเยอะมากปริยายในการส่งแสดงใจสิกขาของพระพุทธเจ้านั้นจะมีความหลากหลายไปเรื่อยๆอย่างการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การำทำจิตให้ผ่องแผ้วเนี่ยมันก็คือใจสิกขาคือศินสานที่ปัญญา สัพพะปะภาษากันญังก็คือศีลกุศลสูตรธรมดาก็คือสมาธิแล้วสัสสสจิตะประโยชน์ะปะนังมันเป็นผลของปัญญาเพราะว่าปัญญายาบริสุท ธ, ธิ์ชติจิตของเราจะบริสุทธิ์หมดจดได้ก็ต้องปัญญาปัญญาเครื่องสัสรู้ปัญญาเครื่องบรรลุธรรมก็เป็นเรื่องข อ, องปัญญาเรื่องยาเรื่องวิ ช, ชาเนี่ยโดยกันทั้งนั้น และเป็นการตอบสนองแบบผลึกกระสุนแต่ให้เห็นว่าคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นจะมีลักษณะมุ่งไปสู่การจางคลายของกิเลสไปเรื่อยๆมุ่งพัฒนาให้เกิดดวงตาปัญญามุ่งพัฒนาให้เกิดญาณมุ่งพัฒนาให้กิเลสเป็สงบ มุ่งพัฒนาให้ความรู้มันเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็คือบรรลุธรรมหรือสัจธรรมแล้วก็ได้นิพพานการสอนจะอยู่ในกลุ่มนี้มากที่สุดกลุ่มระดับโลกิยาก็จะพูดไม่มากแต่มันคลุมได้ทั้งหมดในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบ้าเดือน เดือนนี้เดกอนก ร, น ร, นรกฎาคมมาวิทยาลัยบาอังกุรราชิทยาลัยนิมนต์ไปปาตกรกถาให้นักศึกษาปัญญาโทปัญญาเอกฟังเรื่องการศึกษาที่แท้จริงให้เวลาไว้ทั้งสามชั่วโมงนซึ่งแน่นอนเราจะเห็นว่าคำว่าศึกษาเนี่ยใช้อยู่สามคำนั่นเอง คือสีละสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาตเตี๋ยวแต่ว่าศึกษาม่เปนภาษาสันกฤษฐคำว่ า, าสิกขาม่ปนภาษาบาลีก็หมายถึงระบบการปฏิบัติที่พัฒนาจิตของมนุษย์ให้มีความประณีตขึ้นสูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงบรรลุมรรคุลนิพพานตอนปลายเราอย่าลืมเสกขาการเสรสือพวกยังต้องศึกษากับผู้ จบการศึกษาแล้วแต่าการศึกษาในคดีโลกมันก็ถือว่าเป็นศินลปะไม่ใช่ถือว่าเป็นการศึกษาเป็นศินลปะในการประกอบอาชีพบางทีก็เป็นเครื่องประดับชีวิตพวกปัญญาสายสังคมศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นเครื่องประดับชีวิตคือจบมาแล้วจะทํางานอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องวิชาชีพ อีกกเีเป็นประเด็นที่จะต้องมองแล้วก็หาจุดเพราะว่าทางมหาวทิทยาลัยก็ตั้งมาโดยไม่ได้ปรึกษาอะไรก็นิ่งๆก็มีหนังสือที่บนมาเลยทุกฟังแต่หลายเสียงทํามจากมหามวิทยาลัยศรีประทรุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรใาธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทัว ก, กันสวัสดี